ต้นไม้ในโลกทิพย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร<ม>ผู้ที่เกิดมาในโลกมนุษย์ถ้าหากไม่ศึกษาก็ไม่อาจจะรู้ว่าต้นไม้ที่ตนเองเห็นอยู่เสมอทุกวันนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกของโอปปาติกะโดยธรรมดาก็มีต้นไม้มีแม่น้ํามีภูเขา และมีธรรมชาติอื่นอื่นอีกมากมายคนส่วนมากในโลกนี้จะเหมือนกับในโลกมนุษย์หรือไม่คือถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้ามีความสงสัยจึงได้กราบเรียนถามเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาตอบให้ทราบว่าผู้ที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติต่างๆในโลกของโอปปปาติกะนั้น ดยปกติจะต้องเป็นคนที่อยู่ในภูมิสูงเป็นคนมีการศึกษามาอย่างดีจากโลกมนุษย์แล้วมาศึกษาเพิ่มเติมในโลกนี้จึงสามารถเข้าใจถึงเรื่องธรรมชาติต่างๆของโลกนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกว่าต้นไม้ในโลกมนุษย์นี้เมื่อมันตายเราจะไปเกิดเป็นต้นไม้ในโลกของโอปปาติกะได้หรือไม่เช่นต้นมะม่วงในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นต้นมะม่วงในโลกนั้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดอีกในหนึ่ง ต้นไม้ก็มีวิญญาณและต้นไม้ในโลกมนุษย์นี้ก็เกิดมาจากวิญญาณเป็นผู้สร้างขึ้นมาต้นไม้ต้นใดก็ตามเมื่อตายแล้ววิญญาณของต้นไม้นั้นจะไปเกิดเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันกับในโลกนั้นได้หรือไม่ท่านได้ตอบว่าจากความรู้ที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้ท่านเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ วิญญาณของต้นไม้จะไม่มีการสืบต่อโดยวิธีจุติและปฏิสนธิแต่พลังของวิญญาณที่สร้างต้นไม้ต้นนั้นขึ้นมาจะต้องเหลืออยู่ในเมื่อต้นไม้นั้นได้ตายพลังที่ว่านี้จะมีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปส่วนต้นไม้ที่จะเกิดในโลกของโอปปปาติกะนั้นโดยธรรมดาย่อมเกิดมาจากความปรารถนาของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือ อยู่กับวิบากของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆซึ่งหมายความว่าโอปปาติกะที่อยู่ในภูมินั้นๆเมื่อมีความปรารถนาอยากจะได้ต้นไม้ชนิดไหนต้นไม้ชนิดนั้นก็จะเกิดตามความต้องการและที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะวิบากที่จะบรรดาให้เกิดต้นไม้ชนิดนั้นมีอยู่แต่ขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าลำพังความปรารถนาหรือวิบากของโอปปาติกะอย่างเดียวสร้างต้นไม้ขึ้นมาไม่ได้ แต่พลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปพลังอันนี้แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดต้นไม้ชนิดที่มันเคยสร้างมาแล้วกล่าวคือโดยอาศัยพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปอันนี้แหละในเมื่ออปปาติกาต้นใดมีความปรารถนาที่จะได้ต้นไม้ชนิดไหน พลังแห่งวิญญาณของโอปปปาติกะตนนั้นซึ่งประกอบไปด้วยความปรารถนาและวิบากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวการดึงเอาพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ให้มารวมตัวกันขึ้นแล้วก็บันดาลให้เกิดต้นไม้ตามที่โอปปปาติกะต้นนั้นปรารถนาอันหนึง่งโดยปกติพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ย่อมมีอยู่มากมายเพราะต้นไม้แต่ละชนิดเมื่อตายแล้วพลังอันนี้จะมีเหลืออยู่เสมอ พลังที่ว่านี้เปรียบเสมือนหนึ่งมเมล็ดพืชต่างๆในโลกมนุษย์ซึ่งคนในโลกมนุษย์นั้นเมื่อต้องการต้นไม้ชนิดไหนก็ไปเที่ยวเก็บพันไม้ชนิดนั้นมาปลูกข้อนี้ฉันใดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะซึ่งสันดานที่ติดไปจากมนุษย์นั้นย่อมมีความปรารถนาที่จะได้เห็นต้นไม้งามๆซึ่งความปรารถนาที่ว่านี้ฝังอยู่ในจิตไร้าสานึกแต่มันก็มีอิทธิพลพอ ที่จะบันดาลให้เกิดต้นไม้ต่างๆขึ้นมาได้โดยที่โอปปาติกะเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวว่าต้นไม้ต่างๆที่ตนเห็นอยู่เกิดจากความปรารถนาในส่วนลึกในจิตใจของตนและด้วยกฎอันนี้เองธรรมชาติที่แวดล้อมในภูมิต่างๆจึงได้แตกต่างกันไปตามสภาพแห่งจิตใจของโอปปาปติกะที่อยู่ในภูมินั้นๆ ในโลกของโอปปาติกะก็เหมือนกับในโลกของมนุษย์คือไม่มีใครรู้ว่าธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่นั้นเริ่มเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรเกิดมาอย่างไรและผู้ที่มีอยู่ก่อนซึ่งมีอยู่มากมายพวกเหล่านี้เริ่มต้นมาอย่างไรเริ่มมาแต่สมัยไหนเป็นการยากมากที่จะเรียนรู้นอกจากพวกที่ฉลาดจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเท่าที่ท่านรู้จักที่สามารถจะตอบปัญหาได้ว่าต้นไม้ต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอปปาติกะคนแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแม่น้ําภูเขาที่เห็นอยู่ครั้งแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรยังขนาดท่านซึ่งก็นับว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติในโลกนั้นพอสมควรแต่ถึงกระนั้นก็ตอบปัญหาดังที่กล่าวมานั้นไม่ได้ท่านรู้เท่าที่ท่านตอบมานี้เท่านั้น ท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าเฉพาะโอปปาติกะที่เข้าใจเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติในโลกนั้นเป็นอย่างดีนั้นจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจากความคิดของตนเองเพียงแต่ตั้งใจอธิษฐานสิ่งที่ต้องการก็จะเกิดขึ้นทันทีบุคคลในโลกของโอปปาติกะที่กล่าวนี้ก็เทียบได้กับนักวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้โดยเรียนแบบจากธรรมชาติ แต่ก็ขอให้จำไว้ด้วยว่าบุคคลที่มีความสามารถอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีมากส่วนมากของผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะไม่รู้ถึงความจริงว่าธรรมชาติต่างๆในโลกของตนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดมาเขาก็ได้เห็นธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆมีอยู่แล้วและก็มักจะมีความเข้าใจอย่างเดียวกับที่ตนเองเคยเข้าใจเมื่อสมัยยังอยู่ในโลกมนุษย์ ถ้าพระเจ้ายังได้กราบเรียนถามถึงเรื่องเชื้อโรคต่างๆอีกว่าพวกนี้เมื่อตายแล้ววิญญาณของมันจะไปเกิดเป็นเชื้อโรคอยู่ในโลกของปปปาติกะอย่างเดียวกับที่เคยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์หรือไม่ท่านก็ได้การุณาตอบว่าพวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกสัตว์ชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบประสาทพวกนี้ตายแล้วก็ไม่มีการปฏิสนธิเช่นเดียวกับต้นไม้เหมือนกัน แต่พลังของวิญญาณที่สร้างเชื้อโรคต่างๆนั้นยังมีอยู่แต่มันจะไม่เกิดเป็นเชื้อโรคทันทีเมื่อมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้ซักท่านต่อไปอีกว่าในโลกของโอปปาติกะจะมีเชื้อโรคอยู่บ้างหรือไม่ท่านได้ตอบว่าในบางภูมิโดยเฉพาะคือในภูมิต่ำนั้นมีแน่และมีมากด้วยตัวอย่างเช่นพวกโอปปาติกะที่อยู่ในภูมิต่ำนี้บางพวกอาหารที่เขากิน มีแต่ของเน่าของเสียและพวกนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอของเน่าของเสียก็หมายถึงมีเชื้อโรคและการที่คนเหล่านั้นเจ็บป่วยก็หมายถึงมีเชื้อโรคความเจ็บป่วยและเชื้อโรคต่างๆมีขึ้นก็เพราะวิบากแห่งกรรมของเขาเองท่านได้เตือนให้ตรหนักให้มากว่าอย่าได้เอาเรื่องในโลกมนุษย์มาเปรียบเทียบกับเรื่องในโลกของโอปปปาติกะทุกอย่างพูดง่ายๆว่า อย่าเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ในโลกของโอปปาติกะนั้นจะเหมือนกับในโลกมนุษย์ทุกอย่างบางแง่เท่านั้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดให้มากและอีกอย่างหนึ่งท่านได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะนั้นเกิดจากวิบากคือเกิดขึ้นจากสภาพของจิตไร้าสานึกเช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากจิตไร้สำนึกโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกของโอปปาติกะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนที่อยู่ในภูมิต่ำไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากสภาพของจิตไร้สำนึกของตัวส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิสูงและได้ศึกษารู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปปาติกะนั้นเขาเข้าใจกฎเกณฑ์นในเรื่องนี้ดีเขารู้จักวิบากของตัวเองดีเพราะฉะนั้นจึงสามารถบรรดาล หรือเนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาตามความปรารถนาจากจิตสำนึกของตนได้จากคำอธิบายของท่านที่กล่าวมานี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซึ้งในพุทธพจน์ที่ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณและทำให้นึกถึงคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า อทิเทวญาณทัศนะของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาทิเทวญาณทัศนะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกของโอปปปาติกะทั้งหมดซึ่งเมื่อพูดอีกในหนึ่งหมายความว่าแม้พระองค์จะเป็นมนุษย์ แต่ก็มีความรู้ในเรื่องโลกของโอปปปาติกะดียิ่งกว่าพวกโอปปาติกะชั้นสูงสุดเสียด้วยซ้าไปตามสั์แปลว่าการรู้การเห็นที่เป็นไปทัพซึ่งเทวดาทั้งหลายซึ่งหมายถึงว่าการรู้การเห็นของพระองค์ในเรื่องโลกของโอปปปาติกะสูงกว่าเทวดาทุกประเภทรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอธิธเทวญาณทัศนะผู้ที่สนใจขอให้อ่านจากหนังสือผีและเทวดามีจริง หน้า48ซึ่งข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาแปล ى, และอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้การศึกษาให้รู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปะปะติกะนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องรู้ตามสมควรคล้ายๆกับว่าแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัย แต่ก็ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคสรีระวิทยาและหลักอนามัยต่างๆพอสมควรไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาเกิดความเจ็บป่วยเราก็จะไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรควรไปหาหมอที่ไหนและเมื่อหมออธิบายอะไราให้ฟังก็จะไม่เข้าใจและด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรเกี่ยวกับสุขศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดให้เด็กนักเรียนทุกคนจําเป็นต้องเรียน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของโอปปาติกะก็เช่นเดียวกันทุกคนจะต้องเรียนให้รู้พอสมควรและการศึกษาเรื่องนี้ถ้าหากศึกษาให้ถูกวิธีแล้วเรื่องนี้เข้าใจง่ายและเท่าที่เรียนรู้ได้จากโลกนี้นั้นก็เป็นการเพียงพอที่จะให้เรามีกำลังใจทำความดีได้อย่างมั่นคงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเราไม่ได้ตาทิพย์เราระลึกชาติไม่ได้ก็ตามแต่นั่นไม่สำคัญ เพราะคนไหนมีพื้นเท่าที่ศึกษาไปจากโลกนี้เมื่อไปเกิดในโลกของโอปปาติกะแล้วก็สามารถจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องรายละเอียดได้โดยไม่ยากแต่ถ้าคนไหนไม่มีพื้นเรื่องนี้ไปเลยก็จะเหมือนกับคนบางคนในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นคนโง่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะศึกษาไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติต่างๆในโลกมนุษย์ทั้งที่เขาเห็นอยู่เสมอก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ เช่นเรื่องฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นต้นคนที่เกิดมางโง่จะไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าคาอธิบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติในโลกของโอปปปาติกะดังที่อธิบายมาแล้วในตอนต้นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องในบาลีอคัญญสูตร ซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องกําเนิดของคนไว้ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกมนุษย์นี้ไม่มีคนครั้นแล้วพวกพรหมอภัสศสซึ่งพวกนี้ก่อนที่จะไปเกิดเป็นพรหมเคยได้ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นทุติยชาญพรหมพวกนี้มีรัศมีออกจากตัวมากมีปีติเป็นอาหาร และมีความสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้อย่างง่ายดายรมเหล่านี้เองซึ่งไม่ใช่คนเดียวได้มาพบโลกมนุษย์ซึ่งในสมัยนั้นธรรมชาติในโลกมนุษย์สวยงามมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลไม้ต่างท่านเหล่านี้ได้ทดลองกินผลไม้ในโลกนี้ในที่สุดก็เกิดชอบใจและพอใจที่จะอยู่ในโลกนี้และได้อยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานมาก ซึ่งในคำพีไม่ได้บอกไว้ว่านานกี่หมื่นปีหรือกี่แสนปีหรือกี่ล้านปีเพราะเหตุที่พวกนี้ชอบรถของผลไม้ต่างๆในโลกนี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้องกินอาหารก็อยู่ได้แต่ครั้นบริโภคอาหาร น, น, นานๆเข้าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากกายทิพย์มาเป็นกายเนื้อโดยที่กายทิพย์นั้นจะมีความเข้มข้น หรือมีความเป็นสะสารมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นกายเนื้อโดยสมบูรณ์ครั้นแล้วเพศเดิมสมัยที่ยังเป็นคนก็ได้ปรากฏขึ้นมาตันหาราคะก็ได้เกิดขึ้นครั้นแล้วการเสพเมถุนธรรมก็ได้เกิดมีขึ้นและมีการสืบพันธุ์กันโดยวิธีนี้สืบต่อมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ ข้อความโดยสังเขปที่ข้าพเจ้าสรุปมาให้ฟังนี้ผู้ที่ต้องการจะทราบรายละเอียดขอให้อ่านจากหนังสือพุทธวิทยาภาคหนึ่งซึ่งในหนังสือเล่ม น, นี้ข้าพเจ้าได้นำบาลีอักคัญยาสูตรมาแปล ى, และอธิบายไว้แล้วข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้ถามเทพเจ้าองค์ที่ตอบปัญหาข้อที่แล้วมาว่าข้อความในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่จะเชื่อถือได้เพียงไรท่านบอกว่าเชื่อได้ร้อยเปอร์เ็ และท่านยังได้อธิบายอีกว่าอันที่จริงกายทิพย์ของพวกโอปปาติกะก็คือกายเนื้อที่อยู่ในรูปพลังงานธรรมชาติในโลกของโอปปาติกะก็มีเหมือนกับในโลกมนุษย์เป็นแต่บางอย่างในโลกมนุษย์ยังไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสภาพของธรรมชาติที่ยังอยู่ในรูปของพลังงานและจะพูดว่าเป็นพลังงานที่เป็นนามธรรมก็ได้ เพราะโดยความจริงแล้วพลังงานของวัตถุเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือพลังงานนา ม, มาธรรมที่อยู่ในรูปที่หยาบท่านบอกว่าถ้าได้ศึกษาเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วก็จะมองเห็นความจริงที่ว่าพลังงานวัตถุก็คือพลังงานนา ม, มาธรรมที่หยาบ สสารก็คือการรวมตัวของพลังงานนามธรรมที่มีความเข้มข้นเนื้อแท้ของสากลจักรวาลก็คือวิญญาณหรือสภาพที่เป็นนามธรรมนั่นเองท่านบอกว่าการศึกษาเรื่องอนัตตาของพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจว่าร่างกายที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้น ความจริงไม่มีหรือไม่เป็นอย่างที่ตาเรามองเห็นหรืออย่างที่เข้าใจตามประสาทสัมผัสทั้งหและถ้าหากคนไหนจะนึกแต่เพียงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะเหตุว่าวันหนึ่งร่างกายจะต้องตายร่างกายจะต้องเปื่อยเน่าผุพังแปรสภาพเป็นอย่างอื่นนึกเพียงแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะความจริงเพียงแค่นี้ซึ่งเห็นได้ง่าย ถ้าหากยังไม่เข้าใจถึงสภาพต่างๆในโลกของกายทิพย์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่คนคนนั้นจะละความยึดถือในกายเนื้อได้แม้จะรู้ว่ากายเนื้อไม่ใช่ตัวเราก็ตามเพราะมันเหมือนกับเราจะบอกเขาว่าบ้านที่เขาอยู่นั้นผุพังเก่าแก่เต็มทีแล้วอีกไม่ช้าก็จะพังฉะนั้นจงออกจากบ้านหลังนี้ไปเสียทั้งที่เขาก็ยอมรับว่าเป็นจริงตามที่เราบอกแต่แล้วเขาก็จะไม่ยอมออกจากบ้านหลังเก่านั้น ถ้าหากเขามองไม่เห็นว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหากเขารู้แน่นอนหรือมองเห็นแล้วว่าบ้านหลังใหม่ที่เขาจะได้อยู่ที่ไหนเขาก็ย่อมจะเต็มใจสละบ้านหลังเก่าการสอนให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องอนัตตานั้นไม่ยากแต่จะสอนให้คนทั่วไปละความยึดถือในเรื่องโตตนนั้นยากที่สุด แต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตในโลกของโอปปาติกะเป็นอย่างดีแล้วการสอนให้ละความยึดถือในกายเนื้อทำได้ง่ายอันหนึ่งท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการหายตัวซึ่งเดี๋ยวนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างขึ้นมาจากความคิดคำนึงล่วงหน้าจงสังเกตว่าคนที่หายตัว โดยวิธีทำให้ตัวเองละลายกลายเป็นพลังงานไปทันทีนั้นคนที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้เขาไม่ตกใจและไม่กลัวที่ร่างกายของเขาจะต้องละลายไปทันทีเพราะเขารู้ว่าอีกไม่ช้าร่างกายของเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นห่วงตัวเองในทํานองเดียวกับเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมนุษย์ก็มาจากชีวิตในโลกของโอปปาติกะกายเนื้อก็มาจากกายทิพ และกายเนื้อนั้นเมื่อตายแล้วก็จะไปอยู่ในสภาพกายทิพย์อีกซึ่งปรากฏการทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณท่านบอกว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้อย่างจมแจง้งความเป็นห่วงตัวเองจะเหลือน้อยมากและพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนที่รู้แจ้งในเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้าถึงอมตะธรรมในขั้นตน้น ส่วนการเข้าถึงอมะตะธรรมในขั้นสูงก็คือการบรรลุถึงนิพพานหรือพูดอีกในหนึ่งคือเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้กายทิพย์ก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาวิบากก็ไม่มีจริงวิญญาณก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขตธรรมทั้งเส้นอันสังขตธรรมนั้นดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้ คนที่เข้าถึงความจริงในขั้นนี้ซึ่งหมายถึงเข้าใจเรื่องนี้จแจ่มแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้หมดผู้ที่ก้าวมาถึงขั้นนี้เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งจริงๆว่าตัวเราที่แท้จริงมีหรือไม่ตัวเราตายจริงหรือเปล่าการเข้าใจถึงความจริงในขั้นนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่ว่ายากก็เพราะโดยสันดานของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปยังอยากที่จะมีตัวตน ซึ่งความอยากอันนี้เหนียวแน่นลึกซึ้งมาก ท, ทั้งทั้งที่ความอยากอันนี้โดยตัวมันเองก็เป็นสังขตธรรมคือไม่มีจริงเหมือนกันและปราบใดที่ยังมีความอยากอันนั้นอยู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็ยังต้องคงมีอยู่ตลอดไปและความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ย่อมมีได้แม้กระทั่งในจำพวกโอปปาติกะชั้นสูง ซึ่งโดยธรรมดาก็เป็นผู้ที่มีอภิญยาต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงมนุษย์ผู้มีประสาทจำกัดจะมีความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวสักเพียงไรและความหลงผิดที่ว่านี้ที่ยังคงมีอยู่ก็เพราะหลงในความคิดของตัวมองไม่เห็นถึงความผิดพลาดหรือความหลอกลวงที่มีอยู่ในความคิดของตัวท่านบอกว่า ท่านรู้สึกเริ่มสายจับใจในวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราหรือของของเราได้แล้วก็จะข้ามพ้นจากความตายอยู่เหนือความตายได้ท่านบอกว่าคําสอนบทนี้จับใจท่านมาก แต่ถึงกระนั้นโดยสันดานหรือโดยวิบากของกิเลสที่มีอยู่ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ายังละความยึดถือในตัวตนได้เด็ดขาดไม่ได้แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องกายมนุษย์อย่างที่ท่านเคยมีมาแล้วมองเห็นได้ชัดเลอะเกินว่ากายนี้มันเป็นเปลือกของชีวิตจริงๆไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่คงทนไม่ถาวรและที่ร้ายที่สุดก็คือเต็มไปด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆ แก่เร็วผุพังง่ายตายง่ายไม่เหมือนกับกายที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้ซึ่งดีกว่ากายเนื้ออย่างชนิดที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยท่านได้แนะอีกว่าการเรียนอะไรควรจะเรียนไปตามขั้นของมันโดยลาดับเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมมีความเป็นมาเป็นขั้นๆขอให้ดูการเกิดของต้นไม้กว่าจะมีลูกเกิดขึ้นมันมีรากฐานเป็นมาอย่างไรความรู้ของคนเราก็เหมือนกัน จะสอนให้คนเข้าใจเรื่องอนัตตาสอนให้คนไม่เป็นห่วงตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตัวก็ต้องสอนไปทีละขั้นเพราะการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ต่างๆถ้าหากคนไหนมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานไม่พอก็เป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านั้นจะเข้าใจเรื่องอนัตตาจริงๆหรือให้มีการปล่อยวางได้จริงๆ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะละกิเลสได้โดยเด็ดขาดพระองค์ได้ทรงเข้าใจอะไรมาก่อนพระองค์ระลึกชาติได้พระองค์ได้ตาทิพย์รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมและเข้าใจกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดพระองค์ทรงมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นพื้นฐานมาก่อนจึงสามารถละกิเลสได้ก็ในเมื่อคนทั่วไปยังสงสัยอยู่แม้กระทั่งในปัญหาตื้นๆที่ว่า คนเราตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เราเคยเกิดมาก่อนหรือเปล่าปัญหาตื้นตื้นเหล่าเนี้ถ้าหากยังไม่เข้าใจยังละความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ได้ก็ป่วยการที่จะไปสอนเรื่องอนัตตาหรือเรื่องนิพพานเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเหล่านั้นจะเข้าใจจริงๆด้วยตัวเอง เราได้จากไปแล้วอบอ้าวแก้กกตัวน้อยหายไปตอนนี้ลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้ว่าจะคิดได้ก็สายไป จะต้องจากกันไหมตดยไรู้ไม่เห็นไม่าจความยิงสืบพลอนบอกไว้หลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าทีเกินเป็นคนนั้นจะปล่อยมันไปสียนได้เธอคิดชีวิตต้องดอูมันยาวไกลสียนได้คน